พระอาจารย์พอดีฟังพระอาจารย์เทศเรื่องมารคืนนี้จะเป็นคำถามที่อาจจะไม่เกี่ยวกับาปฏิบัติเท่าไหร่แต่เกี่ยวนในแง่ของบัญญัติที่ผมจะจาไว้เพื่อเอาไว้ถ่ายทอดนะครับในในกองอขันกิเลสมานะครับพระอาจารย์มันจะมีราคะโทสะโมหะสามตัวนี้คือความปรุงแต่งจริงๆแล้วคือเป็นความปรุงแต่งความปรุงแต่งฝ่ายชั่ว มันแบ่งเป็นระดับแบบอาตมาแบ่งเองนะว่าถ้าแบ่งระดับตามที่ว่าเห็นง่ายตานอาตมาจะไล่ยอย่างนี้ตอนที่อธิบายกับเด็กๆ เ, เนี่ยจะจะไล่อีกแบบหนึง่งคือกิเลสมานอภิสังขารมานแล้วค่อยขันธรรมานกิเลสมานเนี่ยเวลาเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยจะดูได้เลยดูได้ว่า ราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงโมหะเป็นยังไงโมหะจะดูยากนิดหนึ่งก็ดูราคาโทสะซึ่งเป็นกิเลสตัวใหญ่ๆชัดๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องฝึกจนละเอียดขนาดไหนก็ดูได้เลยเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าราคาเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงรู้จักกันอยู่แล้วฟุ้งซ่านใจลอยก็คือโมหะเป็นยังไงหดหูเศร้าหมองเป็นยังไงเรารู้จักได้เลยเป็นมานที่เห็นได้ เป็นมารที่รู้จักได้เลยแต่ตัวปรุงแต่งที่มันเป็นบุญเป็นบาปแล้วก็ถึงขั้นอนเนินชาพิสังขารเนี่ยนะเป็นตัวปรุงแต่งอันเนี้ยมันมาจากตัวอยากดีตัวอยากดีเนี่ยมันจะเริ่มมาจากที่เริ่มเห็นกิเลสมารได้พักหนึ่งแล้วจึงจะเริ่มเห็นมารระดับระดับที่สองคือตัวอภิสังขารมารมันจะเห็นว่าคน คนที่ฝึกมาแล้วเห็นถึงขั้นนี้เนะี่ยเจนว่าอยากทีไรมีทุกทุกทีอยากดีอยากเข้าฌานอยากมีความสงบแค่อยากก็ทุกแหละเพราะตอนอยากเนี่ยอย่างไม่ได้ความปรุงแต่งก็มาจากความอยากส่วนขันธมารเนี่ยนะต้องระดับสูงสุดจะเห็นขันเป็นมารแท้เลยเนี่ย คือรู้จักขันว่ามันไม่ไม่ใช่ของที่น่าดูน่าเอาเน่นะก็คือต้องระดับพระอระหันต์นั้นพวกเราเนี่ยเป็นระดับระดับที่ดูกิเลสมารไปก่อนตัวมารที่เราจะทำความคุ้นเคยและรู้จักกับมันคือตัวราคะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสตัวใหญ่ๆพอเห็นบ่อยๆเข้าเนี่ยจะเริ่มเห็นที่มันละเอียดขึ้นก็คืออภิสังขารมารก็คือกิเลสนี่แหละ แต่มัเริ่มละเอียดขึ้นเห็นเห็นในแง่ที่ละเอียดขึ้นเห็นในแง่แม่ขาถามว่าบางอย่างมันไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่เป็นราคะโทสะโมหะเป็นปรุงแต่งที่เป็นบุญปรุงแต่งที่เป็นบุญถ้าเรามัวหมกมุ่นอยู่กับการทําบุญบุญแบบวนเวียนเกิดเวียนตายก็กลายเป็นว่ามันยังไม่พ้นนะยังเป็นปรุงแต่งหลอกให้เกิดปรุงแต่งหลอกให้เกิดจึงเป็นมารอย่างหนึ่ง ปรุงแต่งที่เป็นอภิสังขารมานท่านว่าเป็นมานเพราะว่ามันสร้างกรรมสร้างกรรมก็คือไปสร้างพบสร้างพบแล้วก็คือต้องไปเกิดตัว น, นี้ต้องเริ่มละเอียดขึ้นมาละฝึกแรกๆจากการดูกิเลสไปนะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นบางอย่างแม้ไม่นับเป็นกิเลสก็เป็นตัวขวางเช่นทําบุญแปลกไหมทาบุญกลายเป็นมานไปได้ไหมกลายเป็นมานได้เพราะว่าเป็นอภิสังขารมานแล้วไปสร้างพบตั้งใจทําบุญเพื่อไปเกิด เป็นนางฟ้าคิดอย่างนี้เป็นมานแล้วนะดูสิมันต้องมันมันมันแย้งกับความรู้สึกเราไหมมันแย้งความรู้สึกเรานะแต่ถ้าเราไม่คิดที่จะพ้นทุกความรู้สึกอย่างนี้จะรู้สึกไม่แยง้งรู้สึกว่าคิดได้คิดทาบุญเพื่อเป็นเทวด า, า, าคิดทําบุญเพื่อเป็นนางฟ้าเนี่ยคิดได้แต่ถ้าคิดจะพ้นทุกนะคิดอย่างนี้เป็นกายเป็นตัวขวางไปเลยคิดเพื่อเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง คิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเศรษฐีอะไรเงี้นะเสร็จเลยโมจะปรุงแต่งอยากจะได้ดีอยากจะเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอยากจะเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจอะไรงี้นะเสร็จพวกนี้กลายเป็นว่าหลงมานหลงกลของมานอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาภาวนากันระดับหนึ่งจึงจะรู้สึกว่าแม้แต่คิดอย่างนี้ก็กลายเป็นมานเนอย่างเงี้ยนะ ถือว่าละเอียดแล้วเนี่ยนะก็ยังรู้สึกว่ายังละเอียดไม่พอที่จะมาดูว่าขันทั้งห้านี้เป็นมารขันทั้ห้าเป็นมารเนี่ยเราพอพูดถึงขันเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยจะนึกได้แค่ร่างกายเนี่ยแม้แต่พระอตถคธาจารย์เวลาอาธิบายท่านก็อธิบายให้คนยุคนั้นในแง่ของความเจ็บป่วยด้านร่างกายกลายเป็นขันธมาน จิงขันธ์ธามันไม่ได้มีแต่ร่างกายอย่างที่บอกแล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง4ี่อันนี้ที่เป็นนามธรรมเนี่ยจะดูว่ามันเป็นเป็นมารเนี่ยโอ้โหก็เริ่มมาจากดูสังขารว่าเป็นมารแม้เป็นบุญก็เป็นมารแล้วคิดจะทําบุญเพื่อจะไปเกิดเป็นนางฟ้าเนี่ยเป็นมารคราวนี้เหลือตัวเดียวที่ที่ยังมองไม่ออกก็คือตัววิญญาณวิญญาณนี่เป็นเชื้อเกิดที่ หลวงตามหาบัวบอกว่าเป็นจิตอวิชชาถ้าไม่ถึงตัวนี้นะก็ยังเกิดอีกเป็นพระนาคามีท่านบอกว่าจิตตอนเป็นพระนาคามีท่านบอกจิตขณะนั้นของตัวตัวท่านเองนะว่าเป็นจิตอวิชชาเพราะว่ายังมีเชื้อเกิดอยู่ตัวเชื้อเกิดนี่คือไม่รู้ทันถึงตัวขันธมารตัวนี้ตัวขันธมารที่ท่านยังไม่แตกตียังไม่แตกคือตัวตัววิญญาณหรือตัวจิตตัวนี้ น น, นถ้าเห็นว่าความปรุงแต่งเป็นมารยังมองไม่ทั่วยังมองไม่ทั่วว่าแท้จริงแล้วขันทั้งห้านี่แหละเป็นมารหรือเป็นทุกข์ครับรจิตไหลไหมจิตไหลปะไหลครับครับพระอาจารย์ครับก็แสดงที่อาจา ร, รย์เทศมาก็หมายถึงว่าราคาโทรศัท์โมหะเนี่ยเขาแบ่งออกมาหนึ่งแ้ที่ว่ามันดูง่าย อแต่จริงๆดูหยาบๆก่อนอดูหยาบๆก่อนพอมีทักษะแล้วนะพอมีทักษะแล้วเริ่มเห็นละเอียดขึ้นก็กลายเป็นว่ามาดูอภิสังขารมานครับแต่จริงๆแล้วราคาโทรศัพโมหะมันเป็นความปรุงแต่งไฟชั่วซึ่งมันอยู่ในกองของอภิสังขารมานถูกไหมครับใช่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของอภิสังขารมาน ค, คืออะปุญญาอภิสังขารอ๋อครับอ๋อทีนี้ ตัวลักขณูปนิชานนะครับมันอยู่ในส่วนของอนเนนชาหรือเปล่าครับลักขณูปนิชานตอนที่ทำเนี่ยตอนที่ฝึกก็ยังอยู่ในอนเนนชาแต่พอถึงขั้นหนึ่งถึงจุดที่เรียกว่าอนันตริกะสมาธิเนี่ยสมาธิปกติจะไม่มาถึงตรงนี้แต่ลักขณูปนิชานจะมาถึงตรงนี้อ๋อครับแสดงว่ามารที่เป็นกิเลสมารที่เป็นขันเขามีคุณกับเราในแง่ที่ว่าเขาเอื้อประโยชน์ให้เราได้ มีปัญญามีสติมีสมาธิถ้ารู้จักมันถ้ารู้จักเขาครับแล้วตัวสติกับตัวปัญญาอยู่ในกองของของความปรงฝ่ายดีเป็นเป็นสังขารฝ่ายดีอ๋ออะทั้งนั้นแสดงว่าเราอาศัยขันห้าอาศัยกิเลสในการพัฒนาสติปัญญาแล้วก็ลัคณณิชาน เพื่อให้ผลจากรูปนามใช่แสดงว่าเขามีคุณในแง่ที่เราสามารถพัฒนาจากการ เ, ออเรียนรู้เขาเออดีใช่ไหมครับมองไงใช่ได้ส่วนมัจจุมาลแล้วพัฒนาไปพัฒนาไปแล้วก็ไม่ยึดมันด้วยครับถ้ายึดมันไว้นะก็ยังมีขันท่าต่อส่วนมัจจุมานมาในแง่ที่ว่าคอยเตือนคอยให้สติเราว่าไม่ให้หลงเลอะเจริญกับ ให้รู้ว่าเวลามีจำกัดนะครับถ้าพ้นตรงนี้ไปแล้วหมดหมดเวลานะหมดเวลาตัวนี้แล้วจะกลับมาเป็นคนเพื่อใช้เวลาแบบนี้อีกได้หรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ฉังว่าสี่สี่มานี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้มุมมองที่ถูกต้องครับส่วนมารตัวที่ห้าเนี่ยเทวปุตตมา น, นี่ให้รู้ว่าเพื่อนเพื่อนร่วมโลกกันเลย มันมีคนที่ขี้อิจฉาอยากใหญ่ทนไม่ได้ที่จะเห็นคนอื่นเจริญกว่าและคนเหล่านั้นเน่ะถ้าไม่ระวังแล้วนะะเราเองจะเป็นพวกเขาอ๋อครับที่น่า ก, กลัวคือเราเองจะเป็นพวกเขาเออถ้าถ้าม อ, องในแง่ เ, เคยเห็นคนดีที่ทะเลาะกันไหมเออไ อ, อคนนี้ก็น่าจะเป็นคนดีนะคนนี้ก็น่าจะเป็นคนดีนะแต่มันทะเลาะกันนะ่ะ ถ้ามองในแง่ของกิเลสภายนอกภายในเออมานภายนอกภายในเอเทวบุตรมารหมายถึงมานภายนอกอืกิจที่เราต่อกระทํากับมานภายนอกคือการรู้ทันเหมือนกับมานภายในรู้ทันเหมือนกันเรบอกแล้วว่ามารขี้อายมารเนี่ยนะที่ทำทไมถึงขี้อายมันอยากใหญ่นะมันขี้อิจฉานะแต่มันอยากดีด้วยเพราะฉะนั้นเวลามันทําเร็วเนี่ยมันจะแอบทํา พอเรารู้นะมันจะอายเพราะมันอุตส่าห์แอบแล้วทำไมรู้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันเลยขี้อายพอทักมันนะรีบหนีกลับไปเลยครับคือคยังดีที่มันมียางอะ่ะครั บ, รบขอบคุณครับมันแอบทำพยายามไม่ให้คนอื่นรู้นะเหมือน เหมือนไม่กล้าไม่กล้าสู้ซึ่งหน้าถ้าจะสู้ซึ่งหน้านะต้องมาเป็นพวกใหญ่ๆเหมือนที่พญามารมาหาพระพุทธเจ้าตอนที่วันที่ท่านตัสโรใช่ไหมมามาเป็นกองทัพพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวมาทวงมาทวงที่นั่งที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตอนนั้นยังไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทวงที่นั่งโพธิสัตว์ก็บอกว่าญานี้เราก็ รับบริจาคมาในโสติพรามให้มาที่นั่งนี้ก็ไม่มีที่เจ้าของอยู่แต่เดิมไม่มีใครนั่งไม่มีร่องรอยของความเป็นเจ้าของใครเ อ, อพยามารก็บอกเรามีพยาน <c oughs> เรามีพยานพยานคือใครลูกน้องตัวเอง <c oughs> ก็ถามพยานได้เลยเนี่ยที่นั่งใครพยานก็บอกของเรานี่ประชาธิปไตย <c oughs> เสียงส่วนใหญ่ใช่ไม่ได้เสมอไปหรือว่าไอ้เสียงส่วนใหญ่นั่นแหะใช้ธรรมหรือเปล่าใช้ธรรมะเป็นเครื่องตัดสินหรือเปล่าเวลาเราจะใช้อะไรเป็นเป็นเครื่องนําทางนะหรือเป็นระบอบการปกครองอะไรเงี้ยไม่แน่ว่าราชาธิปไตยหรือคณาธิปไตยรู้จักคณะทีปไตทายไหเป็นคณะหรือประชาธิปไตยยังไม่แน่ว่าไอ้สามระบอบเนี้ยที่เรารู้จักกันเนี้ย จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าคนที่มีอํานาจในการปกครองเนี่ยเอาธรรมะไปใช้หรือเปล่า <Okay. S 1> ถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีธรรมะ <Okay. S 1> ก็เป็นแบบพญามารที่มาลังควานพระโพธิสัตว์คณะที่ปไตยก็เหมือนกันราชาธิปไตยที่เป็นมีอํานาจอยู่องค์เดียวถ้าองค์นั้นไม่มีธรรมะ <Okay. S 1> ก็นําพาประเทศไม่ดีนั้นถ้าราชาธิปไตยแล้วท่านมีธรรมะนะก็ดีเลย ดีเลยเหมือนที่พระเจ้าอาโศกตอนแรกไม่มีธรรมะก็รบราฆ่าฟันพอรู้จักธรรมะขึ้นมาแล้วก็พัฒนาประเทศหยุดการรบราฆ่าฟันสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างสถาน เ, เลี้ยงดูสร้างศาลาให้คนพักบ้านเมืองของอินเดียขณะนั้นเจริญมากหรืออย่างในหลวงในหลวงน่น ถ้าเป็นถ้าเป็นยุคของราชาทิวไตยก็น่าจะดีเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นผู้ทรงธรรมมีคุณธรรมตัดสินใจอะไรก็ใช้ธรรมเป็นหลักแต่ถ้าจะระบอบไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีธรรมนะไม่ดีทางนั้นแต่ถ้านีฝรั่งเขาวิเคราะห์แล้วนะฝรั่งเขาวิเคราะห์ว่าถ้าราชาที่ไม่มีธรรมนะโค่นง่ายโค่นองค์เดียว ถ้าคณะที่ไม่มีธรรมนะก็ยากขึ้นแต่ถ้าประชาชนไม่มีธรรมานะประเทศนั้นสวยร้ายแรงที่สุดเลยคือประชาธิที่ปไตยที่ไม่ไม่มีธรรมนั้นประชาชนพวกเราเป็นประชาชนที่จะเป็นใหญ่นะต้องเอาธรรมามาเป็นใหญ่ในใจของเราประชาธิที่ปไตยจึงจะมีคุณค่าขึ้นมาได้เพราะว่ามาจากคนที่มีอำนาจคือประชาชนที่มีธรรม ไม่มีวิธีอื่นต้องสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนแล้วประชาธิปไตยจึงจะมีคุณค่าจริง <Okay. S 1> อย่าไปรอหวังว่าคนนู้นคนนี้จะมาช่วยเพราะว่าประชาธิปไตยคือพวกเราเป็นใหญ่ <Okay. S 1> คนนู้นคนนี้มาช่วยนี่ก็ชั่วคราวถ้าประชาชนโง่อยู่ก็เอาธรรมะมาใช้ไม่เป็นประชาชนต้องฉลาดขึ้นมาให้ได้เอาธรรมะขึ้นมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันให้ได้ พอมีธรรมะในชีวิตประจำวันแล้วมันก็รู้จักเลือกคนรู้จักสั่งสอนคนต่อรู้จักสร้างสร้างสังคมให้เคารพกฎเกณฑ์นี่นะแล้วทำไมมันเข้าเรื่องนี้ได้บะา <c oughs> <c oughs> พ, พูดเรื่องมารอยู่ด้่ท่